ลำต้นทั้งหมดไม่ได้ถ้ารากแก้วได้ขาดกุดด้วนก็เสียอย่างเดียวไม้ต้นนั้นเริ่มขาดความสมบูรณ์นั่นนับวันจะตายลงโดยลาดับจนกระทั่งตายไปเลยได้โดยไม่ต้องสงสัย้าจะทําก็เช่นเดียวกันเป็นหลักยืนตัวต่อความจริงทั้งหลาย ไม่มีอะไรที่จะกจินยิ่งกว่าสัตว์จะทำทั้งสีนี้ไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดรวมลงได้ในสัจจะทำทั้งสีนี้ทั้งนั้นถ้าบกพร่องในสัจจะทั้งสีนี้แล้วก็แสดงว่าผู้นั้นมีความบกพร่องในการปฏิบัติในการนับถือวัตถศาสนาหรือศาสนาบกพร่อง สำหรับคนบกพร่องศักดิ์ในศาสนานั้นมีอยู่มากมายแต่ยังไงก็ตามความเชื่อในจัตธรรมหรือสัตธรรมที่ประกาศสอนไวน้นี้ยังคงอยู่ทั้งเสียดิศแล้วก็ชีวศา ส, ส, สนายังคงเส้นคงว่าสามารถที่จะนําผู้ดําเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นคําว่าทุกข์เป็นสิ่ง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 ก็ต้องนิ่นดนกวนกวายเพราะมันทนไม่ได้อยู่ในความแก่ก็กระเสือกกระสนกวนกวายเพราะทนไม่ได้พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยก็กระเสือกกระสนกวนกวายเพราะทนไม่ได้เวลาตายก็เช่นเดียวกันจนกระทั่งสุดความสามารถเพราะทนไม่ได้ถึงกับต้องตายไปนี่เป็นจริงที่สัต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 ทุกขังแปลว่าทนไม่ได้ตามหลักธรรมชาติของทุกคือ ท, ทนไม่ได้ทุกจะอยู่โดยลําพังไม่เคยมีต้องมีสิ่งที่เกี่ยวข้องอาศัยเช่นอาศัยร่างของสัตว์จิตใจของสัตว์จึงทําให้กายและใจของสัตว์ทนไม่ได้เนี่ยจริงอย่างนี้ศาสนาสิ่งที่เป็นภัยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าเป็นภัยจริงๆ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 ต้องนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งที่เป็นโทษและเป็นภัยเป็นโทษเป็นภัยและเป็นคุณนั่นแหละออกมาสั่งสอนโลกจึงสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นดำไม่มีจิตพลาดคลาเพื่อนแม้แต่น้อย <c oughs> สมุทยัยอริยสัจจัง <c oughs> เคลื่อนตัวออกมาเมื่อไร <c oughs> ก็เป็นก่อเรื่องก่อราทั้งนั้นไม่มีที่จะก่อความดบความดีให้สาโลกได้รับความถุกความสบาย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 นำสัตว์โลกหมุนสัตว์โลกผลักสัตว์โลกให้หมุนเยยนเปลี่ยนแปลงในภบน้อยภบใหญ่กีกลับกีกันเป็นมาอย่างนี้ไม่มีจบไม่มีสิ้นตลอดไปถ้าไม่มีมรรคศาสตร์คือความดีเข้าไปแก้แค่อย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็าตามสัตว์โลกที่จมอยู่ในนี้ก็เพราะความเชื่อมันมันถึงได้หมุนสัตว์โลกให้จมอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ใน สามภพนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งนั้นไม่ได้เป็นที่อยู่ของท่านผู้สิ้นกิเลสอศาสวะแล้วแต่แม้แต่รายเดียวเลยมีความจริงของธรรมชาตินี้ถ้าสัตว์โลกให้หมุนดูในสามภพนี้แหละสามแดนโลกธกาตุนี้สามภพสามภูมินี้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 กับมักแป้นี้โสมครอบเข้าแหนมักไม่หมดเพราะออกิ่งก้านข้งแหนก็ออกไปจากไม้ต้นนี้คือมักแป้นี้นี่แหละเป็นเครื่องสังหารวิเลศตัวเป็นภัยตัวเป็นข้าศึกตัวก่อบโพยทุกขึ้นมาเผาหลนสัตทั้งหลายและตัวผลักสัตว์ต่างหลายให้เกิดในพบน้อยพบใหญ่ไม่มีจบสิ้น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 จนจิตมีความสงบได้ทั้งๆที่ไม่เคยสงบเลยจากนั้นก็เร่งความเพีย่ยนทางด้านปัญญาก็ออกพิจารณ า, นานให้ควรดีเพราะจิตมีพลังจิตสงบตัวย่อมอิ่มตัวย่อมไม่ฟุ้งเฟอ้อย่อมไม่ฟุ้งซ่านจะความํา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 แม้พิจารณาร่างกายอยู่ก็ตามในขณะนั้นร่างกายเป็นเหมือนไม่มีหากพิจารณาร่างกายตัวเองนั่นแหละเ <c oughs> พราะจิตมันเพินอยู่กับอาการต่างๆของร่างกายในภาพที่ตนกาลังพิจารณานั้นร่างกายส่วนใหญ่นี่เลยหายไปเงียบเหมือนไม่มีน่นการพิจารณาถึงเวล า, าที่จะ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 สามอย่างนี้มันเกี่ยวโยงกันจะพูดว่าพิจารณั้นก่อนพิจารณาพิจารณานี้ที่หลังไม่ได้ในภาคปฏิบัติเพราะมันสัมผัสสัมพันธ์กันผู้เข้าสู์ในวงทำทั้งสามนี้ย่อมจะทราบตัวเองเช่นเดียวกับนักมวยเขาต่อยมวยควรจะขึ้นเขาขึ้นสอกขึ้นเท้า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 เมื่อชมุไทยมัน ห, หดตัวอวิชามันหดตัวเข้าไปในเวลานั้นพราถูกตัดทั้งนอกเข้าไปความปั้งท่าความสำคัญมันหมายเรแยกแยะดูแยกแยะดูจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันก็ไม่กล้าออกมาตั้งพันมั่นหมายสุดท้ายจิตก็จริงตายก็จริงเวทนาคือทุกก็จริงจิตก็จริงในขณะนั้นต่างอันต่างจริงไม่ประจับประสานกันไม่ข้าเคล้ากันแล้วไม่กระทบกันนี่การพิจารณา ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้แป่ว่าให้พิจารณานั้นก่อนพิจารณานี่ทีหลังพูดไม่ได้แต่ภาคพื้นแห่งการพิจารณาในขั้นเริ่มแรกนี้ส่วนมากก็หนีการแต่ในพ้นแะต้องพิจารณากายดังที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นเมืเ่อจิตได้ถอยเข้ามาเป็นความจริงของตัวแล้วย่อมต่อว่าง ทุกเวตนาจะมีมากน้อยเพียงไรก็ไม่กระทบกระเทือนกันนั่นนี่การพิจารณาเป็นเช่นนั้นและเกิดความอาถรรพ์ไม่สะทกสะทานแม้ทุกในกายมันจะมีมากเพียงไรก็ไม่เคยกระทกสะทสานไม่หวั่นไหวเพราะไม่กระทบกระเทือนจิตจิตย่อมเป็นจิตเต็มตัวแม้อยู่ใ น, นในภูมิของอวิชาออครอบหัวอยู่ก็ตามเถื่ย่อมเป็นเช่นนั้น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 หยุไม่เคยเป็นเป็นะแล้วพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรงทําไมจะไม่รู้ไม่เห็นเมื่อเป็นอาโลโกอุดปาฏิขึ้นมาเต็มแล้ววิชาวิชาอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิขยานางอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชาวอุดปาฏิอาโลโกอุดปาฏิเต็มภูมิภาคไทยของพระพุทธเจ้าแล้วทําไมจะไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในสามแดนโลกฐานนี้ไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะทรงสอนโลกได้ถึงสามแดนโลกฐานหรือ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 เป็นเพื่อได้ความมีอยู่เป็นอยู่ของตนด้วยกันทั้งนั้นกับสัจธรรมซึ่งมีประจําในในสัตว์สัตว์ทั้งขามทั้งหลายนี่นบาปไม่มีอะไรเผาโลกอยู่เวลานี้นบุญไม่มีโลกทรงตัวได้อย่างไงคนดีมีได้อย่างไงเ น, น, นโลกไม่มีสัตว์ทั้งหลายจะไม่รับทุกทรมานได้ไห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 นี่เราที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตาโลกอย่างหาที่เปียกหาประมาณไม่ได้ก็เพราะความเห็นโทษอย่างถึงท่าไทยในวัฏจักรวัฏจิตที่พาหมู่มเย็เปลี่ย น, ปนแปลงความหน้าของกิเลสจึงต้องสอนลงให้ถึงเหตุถึงผลถึงพลถึงขิงถึงความจริงทั้งฝ่ายโทษฝ่ายคุณด้วยพระเมตตาล้นลนวนเรื่อยมาแม่ปะปริพันยังต้องประทานพระอวาดไว้อีกธาตบันไดไว้สะพานาไว้ คุยหมายปาทางเอาไว้เพื่อสัตโลกทาลายผู้ที่มีปณิสัยอยู่จะได้ตะเกียบตะกายไปตามพระองค์ก่อะหลุดพ้นแม้ไ ม, ไม่ไม่ถึงที่สุดวิมุตติพาน์ก็พอผ่อนหนักเป็นเบาก็อํานาจแห่งความดีของตนและ็อํานาจแห่งหลักธรรมพุทธเจ้าที่สัดโลกทำลายได้เกาะก็ยังเป็นของดีงดงดยิ่งกว่ากิเลส จ, จะฉุดจะลาบหรือฉุดลากถูกกิเลสจุดลากไปตลอดเวลานั้นเป็นไหนไหนนี่ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ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 เกิดความหน้าด้านขึ้นมาในอัดในธรรมลบน้างทรได้ฮะตัวชุ้หน่อยแล้วอะไรนะตัว น, น, นี้นะ